พระองค์นิดเดียวพลังงานนิดเดียวใช้เป็นสื่อไปถึงต้นต่อของพลังงา น, นจะได้พลังงานจริงๆมาถ้าใจไม่มีสมาธิก็งั้นงนั้นอยู่ที่สมาธิแล้วก็อยู่ที่กรรมครูบาาจารย์ชอบสอนนะวะ่า พระท่านดีอย่างนู้นอย่างนี้นะบอกไม่เกินกำฟังแล้วก็เลยไม่รู้ต้องพวกทำอะไรพรามันไม่เกินกำ <c oughs> พวกไว้เป็นเชื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วเป็นอุบายของครูบาอาจารยนะ์บางคนชอบเล่นพระอะไรี้ให้เล่น เล่นวัตถุมงคลดีกว่าไปเล่นอัปมงคลอะ่างนี้แต่ก็เป็นอุบายมีวัตถุมงคลแล้วต้องถือสีนห้าเป็นอุบายของท่านถือสี่ห้าเราค่อนข้างปลอดภัยแล้ว่องไปด่าเขาโดนเขาซ้อมม า, อาไม่ด่าเขาพูดกับเขาดีๆก็ไม่โดน ้ามีกรรมก็โดนลูกหลงสร้างพระข้างในสร้างพระตัวจริงฝึกไป ใ, ใจเป็นพระถ้าจิตแข่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมด้วยกันนอ้นเดียวกันอยากได้พลังพระนึกถึงท่านก็ได้ละ เวลาผู้เจ้าหรือครูบาอาจารย์นิพพานนะไม่ได้เอาพลังงานไปด้วยทิ้งไว้ในโลกถ้าใจเราสะอาดพอนะมีสมาธิพอสัมผัสมาสัมผัสกับพลังงานของท่านแล้วเนะี่ยจิตมันก็แปลสภาพออกมาอาจจะสร้างรูปขึ้นมาให้มีรูปพระพุทธเจ้าอะไรขึ้นมาสร้างสมมติปัญญัติขึ้นมาเพื่อจะสื่อความหมาย บางคนเลยเข้าใจผิดวนะ่าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในพระนิพพานได้นิพพานแล้วยังมีพระพุทธเจ้าเป็นองค์องค์นิพพานนัส่วนนิพพานนั้นเป็นเรื่องของพลังงานพลังงานของโลกจิตที่บริสุทธิ์มีพลังงานเยอะอย่างพระพุทธเจ้ากี่องค์กี่องค์นะในอดีตนิพพานไปนานนะ้ เราระลึกถึงนะถ้าใจเราดีเครื่องรับเราดีมันจูนได้สัมผัสกับพลังงานของท่านที่ท่านก็แสดงรูปออกมาจิตเรานี้นะสร้างขึ้นมาสร้างรูปพระพุทธเจ้ามาสอนได้ด้วยหรือบางทีเราภาวนาติดขัดนะเห็นครูบาอาจารย์ไปสอ น, นจิตจิตมันไม่มีขอบเขต ครูบาอาจารย์ไม่รู้หรอกแต่ลูกศิษย์นึกถึงครูบาจารย์เห็นครูบาจารย์เดินมาสอนเทศให้ฟังหลวงพ่อก็มีบ่อยอคนมาบอกเลยหลวงพ่อไปแก้กรรมฐ า, านให้ที่นุ่นโอ้ยหลวงพ่อไม่ได้ไปดอกจิตมันเหมือนเครื่องส่งวิทยุนะเครื่องส่งมันส่งไปแล้วเนี่ย เครื่องรับมันอยู่ที่ไหนเครื่องส่งไม่รู้หรอกแต่พอมันจูนตรงกันมันก็รับกันได้เมื่อถูกมงคลเล่นก็ไม่เป็นไรหรอกอย่า ง, งมงายอย่าเล่นเยอะเกินพวกจะเข้าคอร์สจะกลับบ้านแล้วนะได้อะไรไปบ้างเมื่อฟังหลวงพ่อเนี่ยนะมันได้ปัญญา ปัญญาที่ชื่อว่าสุตตะมายาปัญญาปัญญาจากการฟังปัญญาจากการฟังไม่ทำให้เราบรร ล, ลุมรรคผลเราฟังแล้วไม่ได้ฟังต่อเปล่าเราฟังไปคิดไปแล้วเราก็คิดว่าเข้าใจแล้วเข้าใจที่หลวงพ่อพูดงั้นเวลาฟังเทศเนี่ยเราใช้ปัญญาสองตัวเรือกสุตตะมายาปัญญาปัญญาจากการฟังหรือการอ่านก็ได้ การดูในีนี้มีวีดีโอให้ดูอยู่ท้องยูทูบเลยเนี่ยนั่เป็นสุดตามยะปัญญาดูแล้วก็คิดตามไปด้วยทบทวนไปด้วยนะเรียกว่าจินตามายะปัญญาปัญญาจากการคิดหรือปัญญาจากการอ่านการฟังไม่ทำให้เราบารู้มากผลมันมีปัญญาอีกชนิดหนึ่งนะชื่อภาวนามยะปัญญาปัญญาจากการเจริญสติ มีสติรู้กายรู้ใจอย่างที่กายเป็นอย่างที่ใจเป็นรู้ว่าจริงๆเป็นยังไงก็เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก็จะปล่อยวางทำไมปล่อยวางเพราะความจริงมีแต่ทุกข์ถ้ารู้จริงแล้วปล่อยปล่อยเองไม่ต้องอยากปล่อยนะปล่อยมันปล่อยของมันเองนะีอยาพวกเราเนะียปัญญาไม่พอในทางการภาวนา เราไม่สามารถเห็นได้ว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้นล้วนมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเราก็ไปเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุ ก, กข์กบ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมหรือจิตใจของเราเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเราเห็นอย่างนี้ปัญญาเรายังไม่แก่กล้าการที่เรามีสติรู้กายรู้ใจเรื่อยไปนะวันหนึ่งปัญญามันแก่กล้าเห็นว่ากายนี้มีแต่ทุกข์ล้นล้วนจิตนี้มีแต่ทุกข์ล้นล้วนมีแต่ทุกข์มากกว่ทุกข์น้อย เมื่อมันไม่มีสุขเหลืออยู่นะจิตที่ไม่รักใคร่ผูกพันนะเป็นก้อนทุกข์ที่เอาไปทําอะไรจิตจะสลัดทิ้งจิตสลัดคืนกายคืนใจให้โลกไปไม่ยึดถือเมืนะ่อไม่ยึดถือแล้วก็หลุดพน้นหลุดพ้นจากความถือมั่นในรูปนามกายใจนี้เมื่อจิตไม่ยึดมั่นในกายในใจนะร่างกายแก่เรื่องของร่างกายจิตไม่ทุกข์หรอก ร่างกายเจ็บร่างกายตายจิตก็ไม่ทุกข์หรอกจิตสงบหรือจิตฟุ้งซ่านจิตไม่ทุกข์เลยจิตเป็นไงจิตทก็ไม่ทุกข์เลยมันทุกข์เพราะมันไปยึดอยู่มันยึดอยู่เพราะว่ามันเห็นว่าเป็นของดีมันหวงไม่ยอมปล่อยดังน้นที่เรามาเจริญภาวนากันนะมาเจริญสติเจริญปัญญาดูลงไปเรื่อยดูจนวันหนึ่งเห็นทุกข์ ธรรมะสูงสุดชื่ออริยสัจอริยสัจสี่ประการการที่หนึ่งคือทุกขหน้าที่ต่อทุกคือการรู้ถ้าเมื่ไรเรารู้ทุกนะอะไรเรียกว่าตัวทุกความแก่ความเจ็บความตายเป็นอาการปรากฏของทุกขความพลัดพลาดจากสิ่งที่รักการประสบสิ่งที่ไม่รักความไม่สมปรารถนาเป็นอาการปรากฏของทุกขแต่สิ่งที่เป็นตัวทุกแท้แท้นะ ก็คือตัวรูปนามกายใจนี้เองเพราะมีกายหอกมันก็แสดงทุกข์ให้ดูด้วยการแก่ด้วยการเจ็บด้วยการตายเพราะมีจิตใจนะั้นมันแสดงทุกข์ให้ดูด้วยการพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบกับสิ่งที่ไม่รักแล้วก็ทุกเพราะความไม่สมอยากงั้นสิ่งที่เรียกว่าทุกข์แท้ๆเนี่ยไม่ใช่โอกหักเป็นทุกข์ตกงานเป็นทุกขนะ์อดข้าวเป็นทุกข์อะไรอย่างนี้น สิ่งที่เป็นตัวทุกข์แท้ๆคือรูปกระนามคือกายกระใจนี่เองนั่งนั้นเป็นอาการที่เขาแสดงทุกข์ให้ดูถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทุกข์แจมแจ้งคือรู้แจ้งในกองทุกข์คือกองของรูปนามคาว่ากองก็คือคําว่าขันนั่นเองรู้แจ้งในรูปนามรูปประขันนมามปขันทั้งหลายม่จะรู้เลยว่ามีแต่ทุกข์ล้วนๆเมื่อรู้อย่างนี้ความยึดถือ ในรูปนามไม่มีเรี่ว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วจะหมดความยึดถือเมื่อหมดความยึดถือในรูปนามแล้วเนี่ยความอยากให้รูปนามเป็นสุขยังไม่มีความอยากให้รูปนามพ้นทุกก็ไม่มีอีกแล้วทุกวันนี้เรามีความอยากมากมาย ก, กิเลสพันหตัณหาร้อยแปอะไรเยอะแยะไปหมดถึงจะมีกี่ร้อยกี่พันนละย่อลงมามันก็คือมันอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกเท่านั้นเอง เราไปดูหนังไปฟังเพลง<ม>นะก็อยากให้สบายใจไปคุยกับเพื่อนก็อยากสบายใจใช่ไนะจริงๆอันั้นเป็นแค่อากาศนะันะที่อยากคุยกับคนอื่นแค่สิ่งหลอกๆตัวจริงที่เราต้องการไม่ได้อยากคุยกับคนอื่นเราต้องการมีความสุขหรือเวลากลุ่มใจอยากไปคุยกับคนอื่นจริงๆไม่ได้อยากคุยกับคนอื่นต้องการพ้นจากความทุกข์ก็ไปคุยกับคนอื่นไปปรับทุกข์กับเขา เงี left, right, Tim, default, so, ited, everyone, ้เบื้องหลังความอยากทุกสิ่งทุกอย่างของเรานีเบื้องหลังลงมาลึกลงมาเลยก็อยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกเนี่ยตัณหามันมีอยู่เท่านี้เองอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกเนีถ้าเมื่อไหร่มันมีปัญญาแก่รอบว่ากายนี้ใจนี้คือตัวทุกเนี่ยความอยากจะไม่เกิดอีกเลยก็มันรู้แจ้งเสซะแล้วว่ากายนี้เป็นทุกใจนี้เป็นทุกมันจะไปอยากให้มันไม่ทุกได้ยังไง การที่จิตมันยังอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกเนี่ยเป็นความอินโนเซนต์ของจิตความไร้เดียงสาความโง่หรืออวิชชาของจิตยังมีอวิชชายังโง่อยู่ยังไร้เดียงสาอยู่ไปอยากในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อยากอะไรอยากให้กายให้ใจเป็นสุขเป็นไปไม่ได้มันเป็นตัวทุกอยากไร้เดียงสาอีกอยากให้กายให้ใจพ้นทุกเป็นไปไม่ได้มันเป็นตัวทุก งั้นถ้าเมื่อไรรู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะเนี่ยเรารู้กายรู้ใจเรื่อยไปนะวันหนึ่งมันแจ้ง น, นี่แต่ทุกมีแต่ทุกมากกับทุกน้อยนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกไม่มีอะไรดับไปถ้าเห็นได้ถึงขนาด น, นี้จิตจะสลัดคืนรูปนามนี้ให้ลกไปพระเจ้าบอกเพราะเห็นตามความเป็นจริงก็ เ, เห็นทุกข์นั่นแหละของรูปนามเนะี่ยเพราะเห็นรูปนามตามความเป็นจริง จึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นอย่างเนี้ยเราถือพัดอยู่อันหนึ่งเราก็พยายามสะบัดเนี่ยให้หลุดมันไม่หลุดเหรอทาไมไม่หลุดก็เพราะถืออยู่ทําไงจะหลุดก็ไม่หยไปถือมันก็หลุดละแต่ทาไมต้องถือมันของดีพัดของเราอันนี้ตั้งห้าบาทมันของดีนําความสุขมาให้ เัง่อ้นกันที่เราเจริญภาวนานะมารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเนะีเพื่อจะได้เห็นความจริงของมันมันทุกข์บางคนเห็นว่ามันทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงบางคนเห็นว่ามันทุกข์เพราะมันถูกบีบคั้นบางคนเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์เพราะมันบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจดงนั้นเราเห็นทุกข์ผ่านไตรลักษณ์คนละมุมแต่ละคนมนาะผ่านมุมใดมุมหนึ่งนะก็จะปล่อยวางแล้วล่ะ บางคนเห็นอนิจจังก็วางนะรูปนามนี้เป็นอนิจจังบางคนเห็นรูปนามนี้เป็นทุกข์ก็วางบางคนเห็นรูปนามเป็นอนัตตาก็วางแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างพวกทรงชนะันพวกนี้ก็เห็นทุกข์ถึงจะวางอย่างเขาเห็นจิตเนี่ยเป็นตัวสุขมหาศาลเลยพวกที่ทรงชันวันใดปัญญาแก่รอบมาจิตนี้คือตัวทุกข์ถึงจะยอมปล่อยถ้าพวกปัญญากล้านะ เห็นอนัตตาระวางเห็นตัวอื่นไม่ยอมเห็นอนัตตาระวังหน้าที่เราไม่ใช่เลือกเห็นหน้าที่เรารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเรื่อยๆไปแล้วจิตเขาจะเห็นของเขาเองว่าเขาจะเห็นอนิจจังหรือทุกขงังหรืออนัตตาไม่เห็นสามัญเห็นนั่นเดียวตอนที่จะแตกหักนะเห็นนั่นเดียวเห็นนั่นเดียวก็พอแล้วก็เรียกว่ารู้ถูกข์แจ่มแจ้ง โอ้สิ่งนี้เป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงอีกคนหนึ่งเห็นโอ้มันเป็นทุกข์เพราะมันถูกบีบคั้นอยู่อีพวกสงชานเห็นจิตนัเป็นของถูกบีบคั้นอยู่อีกพวกหนึ่งเห็นโอ้มันทุกข์เพราะมันไม่อยู่ในอำนาจบังคับสั่งมันไม่ได้ควบคุมมันไม่ได้สิ้นหวังกับมันนั่นเมื่อไรรู้ทุกข์นะเมื่อนั้นละสมุทัยคือหมดความอยากทันทีอัตโนมัติ เมื่อไรรู้ทุกเมื่อนั้นลาสมุทยัยเมื่อไรลาสมุทยัยเมื่อนั้นนิพพานปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเพราะนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหาสิ้นสมุทยัยนิพพานมีอยู่แล้วอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี้แหละแต่เราไม่เห็นเพราะจิตของเรามีตัณหาผลักดันอยู่มีอวิชชาครอบงําทําให้เกิดตัณหาอยู่ดังนะั้นทําลายอวิชชาคือความหลงผิดไปรู้ความจริงแล้วว่ารูปนามนี้เป็นตัวทุกข์ ก็จะละความอยากทันทีที่จิตสิ้นความอยากจิตสัมผัสปานิพันในขณะนั้นอริยมรรคเกิดขึ้นการรู้ทุกข์ละสมุทยัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวกันในพริบตาเดียวกันนั่นเองไม่ใช่คนละทีนะใช่วันนี้รู้ทุกข์พรุ่งนี้ละสมุทัยมาลืนแจ้งนิโรธมาเรื่อง จเจริญมรรคเลยไม่ใชนะ่เกิดในขณะจิตเดียวกันเลยเป็นความอัศจรรย์นะความอัศจรรย์ของจิตอย่างร้ายกาศเลยประลดบางท่านเนี่ยรู้สึกไหวโลกนี่ไหวเลยแผ่นดินไหวนละยที่จริงแผ่นดินไม่ได้ไหวแต่จิตน่ะไหวจิตมันสถานสะเทือนเลยรู้สึกโลกนี่ไหวไปทั้งโลกเลยคือจิตเราเป็นยังไงนะโลกก็เป็นอย่างนั้นอย่างจิตใจเรามีความสุข โลกก็ดูรื่นรมไปทั้งโลกเลยวันไหนจิตใจเรามีความทุกข์แล้วโลกดูเศร้าเศร้าหมองไปทั้งโลกเลยี่จิตหลุดพ้นตรงนั้นจิตมันสถนสนเทือนขึ้นมาโลกกระแทสะเทือนไปด้วยจะเทือนในความรู้สึกของตัวเองกับพวกที่มีกายทิพย์พวกมีหูทิพย์ตาทิพย์เขาก็รับรู้กันนะบางคนก็จะเห็นตรงนี้บางคนไม่สนใจ สเือนใช่ทั่วโลกธาตุนะพวกเทพพวกพรอมอะไรนี่จะรู้การอนุโมทนาสาธุนะไม่ใช่สาธุทีเดียวนะสาธุสาธุสา ธ, สาธุพวกอยู่ไกลๆได้ยินทีหลังได้ยินอะไรได้ยินพักพวกเขาสาธุหันมาดนะูโอ้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้นะสะเตือนโลกธาตุ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยการฟังไม่ได้เกิดขึ้นด้วยการคิดเอานะเกิดขึ้นด้วยการภาวนามีสติรู้กายรู้ใจอย่างที่กายที่ใจเป็นนี่บางคนสงสัยว่าทำไมหลวงพ่อชอบสอนว่าใช้ใจปกติไปรู้รูปนามทำไมไม่ดัดแปลงใจให้ผิดปกติซะก่อนถ้าผิดปกติมันก็ไม่มีของจริงให้ดูแต่อันนี้ไม่ใช่หมายความว่า เข้าฌานแล้วเดินปัญญาไม่ได้ควละเรื่องกันนะบางคนต้องทําสมาธินะเข้าฌานแต่ฌานนั้นเป็นฌานที่จิตอยู่กฐานเรียกว่าลักขณูปนิชานจิตเข้าฌานอยู่แล้วก็ไปเจริญวิปัสนาอย่างนี้ก็ได้นะแต่ถ้าฌานแบบที่นั่งเพ่งออกข้างนอกไปนะพวกนี้ทําวิปัสนาไม่ได้จะมีฝรั่งมาเข้าคอร์สพวกเราคนนึง เขาสงสัยว่าทาไมหลวงพ่อบอกให้ใช้จิตปกติไปรู้รูปนามทําไมไม่เอาจิตที่ดีวิเศษที่จิตที่ทรงฌานเขายังแยกไม่ออกว่าฌามีอะไรยังฌานที่เพ่งออกข้างนอกนี่มันทำวิปัสสนาไม่ได้ส่วนลักขณูพนิชานก็ยังทาไม่เต็มเพราะงั้นใช้จิตธรรมดานี่แหละง่ายที่สุดนะทำวิปัสสนาในฌานเนี่ยมีองค์ประกอบนะ หต้องชนานาญในรักนุ่พนิชานสองต้องชนานาญในการดูจิตถ้าถนัดดูกายไปเดินปัญญาในฌานไม่ได้หรอกแนะนอัปปนาสมาธิทําไม่ได้ทําได้อย่างมากในอุปจาราสมาธินะทําได้ดีที่สุดโดยคนทั่วๆไปนะใช้คณิกะสมาธิอยู่ข้างนอกอย่างนีนะ้แต่จิตตั้งมั่นขึ้นเป็นขณะขณะ งั้นพวกที่บอกว่าจเจริญปัญญาในฌานเนะ่ยถ้าใครเขาบอกเราก็จะไปค้านเขานะเราก็ดูเขาว่าจิตมันถึงฐานจริงหรือเปล่าถ้าจิตเธอยังไม่ถึงฐานเลยเนี่ยแล้วบอกว่าจะเดินวิปัสสนาใจรือ้อตกไปสักไกลเลยนะใจไปอยู่ในพรหมโลกมีปัสนาบ้าบ่าอะไรไปอยู่ที่นั่นวิปัสสนาอยู่ที่รูปที่นามนี้ถ้าจิตอยู่กับฐานเนี่ยนะทรงฌานอยู่ก็เดินปัญญาได้ การเดินปัญญาในฌานในอัปปนาสมาธินจะดูนามาทำไม่ใช่รูปธรรมจะดูองชันเช่นเห็นวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นวิตกวิจารณ์ดับไปเห็นปีติเกิดขึ้นปีติดับไปเห็นความสุขเกิดขึ้นความสุขดับไปเห็นเอกขตานะความเป็นอุเบกขาเห็นอุเบกขาเกิดขึ้นอุเบกขาดับไปนะเห็นอย่างนี้อุเบกขาดับไปแล้วเป็นอะไรก็เป็นความสุขนะ เกิดเป็นความสุขเงั้นไม่ใช่ไม่ใช่ทำง่ายน ะ, จะเจริญปัญญาในฌานต้องเก่งรักขณูปนิชฌานฌานที่จิตถึงฐานจริงๆและเก่งในเรื่องดูจิตนอกนั้นส่วนใหญ่ก็ทำสมาธิออกจากสมาธิมาเนี่ยมาดูกายนะส่วนใหญ่จะทาอย่างนั้นอีกพวกหนึ่งในรุ่นพวกเราเนี่ยมันไม่มีสมาธิจะเข้าเข้าไม่เป็น ฝึกเข้าสมาธิมก็ไม่ยอมเข้าฟุ้งอย่างเดียวเราอาภัพเราไม่มีบุญวาสนาในทางธรรมฌานเราก็ดูไปเลยดูรูปนามเกิดดับไปด้วยใจของคนธรรมดานี่แหละพระอรหันต์ส่วนใหญ่เกิดด้วยวิธีนี้พระอรหันต์ส่วนใหญ่ไม่ได้มาด้วยกันเข้าฌานแล้วไปเดินปัญญาอะไรข้างในหรอกใช้คณิกาสมาธินี่แหละอันนี้หลวงพ่อไม่ได้พูดเองนะมีสติติที่พระพุทธเจ้าเทศไว้ พระเจ้าท่านสอนบอกว่าในพระรหัสด้าร้อยองค์เนี่ยมีพระรหัที่ได้วิชาสามวิชาสามก็คือระลึกชาติได้นะรู้ว่าคนโน้นคนนี้ไปตายแล้วไปเกิดที่ไหนแล้วก็ล้างกิเลนได้นี่เรียก ว, วิชาสามข้อใน500รอองค์พระรหัสด้าร้อยองค์มีได้วิชาสามเนี่ยหกสคนได้วิชาสามต้องมีฌานนะต้องเล่นฌานอีก60องค์ได้อภิญญาหก มีอภิญญา6พวกเล่นอภิญญาก็ต้องได้ฌานอีก60องค์นะได้อารูปบรรลุโดยบรรลุในอรูปฌานหลุดจากรูปธรรมนะโดยอรูปฌานหลุดจากนามธรรมาด้วยมิปัสนาญานเรียกว่าอุปโตภาวิมุตอีก60องค์งั้นในพระอราหันห้าร้อยองค์นะมีวิชาสาม60อภิญญา ห60สิบอุปตโตภาคห0บร้อยแปดสิบสากปสสกเปซน์ที่เล่นโดยทางชานมานั่นสมัยพุทธกาลนะยุคเหล่านี้คนเล่นชานน้อยกว่านั้นอีกส่วนใหญ่เท่าไหร่อะหากเอาไปสา6สหหสบสี่ใช่ไหมคือคนอย่างพวกเหล่านี้แหละพวกอนาถาอย่างเรานี้แหละเข้าชานไม่เป็น ส่วนใหญ่ไปด้วยวิธีนี้นะงั้นเราอย่าไปเสียอกเสียใจเข้าชานไม่ได้เข้าชานไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะรักษาศีลห้าให้ดีก็แล้วกันทุกวันทําในรูปแบบสงบก็ทําไม่สงบก็ทําแล้วคอยรู้ทันจิตที่หนีไปเวลาที่เหลือจเจริญสติในชีวิตประจําวันเจริญสติในชีวิตประจำวั น, น, น, วนทําไงมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดนะ ให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปแต่กระทบแล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้กระทบแล้วเกิดกุศลให้รู้กระทบแล้วเกิดอกุศลลอบหลดลงขึ้นมาให้รู้รู้เพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่เที่ยงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นบังคับไม่ได้แค่นี้ก็บรรลุได้นะแค่นี้ก็ไปได้แล้วนี่สรุปให้ฟังนะที่มาเข้าคอสต์จไปส่งกันบ้าน มรดการครับหลวงพ่อก็เมื่อวานนี้ตั้งแต่กลางวันก็มันมีอาการแปลกๆก็คือที่ใจเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับใจมันก็โล่งสบายดีแต่ว่าหัวมันหนักมากเลยครับอันนี้เป็นธรรมชาติธรรมดาก็ต้องรู้จักวิธีป้องกันตัวนะแต่ว่ามันก็แปลกตรงที่ไม่แปลกหรอกธรรมดาคือตอนกลางคืนมันหายตัเองครับตอนใกล้ๆจะนอนมันไม่ใช่ของเรา อ จ, จิตเราส่งสมาธิขึ้นมาันก็กระเด็นหลุดออกไปหมดมันเล่นกันเยอะนะทั้งมนุษย์ทั้งอามนุษย์มันเล่นเป็นเกลื่อนไปหมดเลยปล่อยพลังงานที่เลวออกมาเต็มไปหมดเลยพลังจิตที่เลวนะฆ่าคนก็ได้นะในสมัยพุทธกาลก็กําหนดไว้พระเจ้าท่านก็พูดเหมือนกันบอกว่าพวกที่มีพลังจิตเนี่ยฆ่าคนได้จริงเป็นพันเลยคือทําร้ายคนได้เป็นพันๆ พ, พ, พร้อมๆกันนะอ เรื่องการใช้พลังงานของจิตในทางที่ผิดไป แ, แกล้งคนอืน่นมันแกล้งกันเยอะตอนนี้ทางธุรกิจก็ทำใส่กันนะการเมืองก็เล่นกันพี่น้องยังทำใส่กันเลยแย่งสมบัติกันแกล้งกันแต่เราไม่ต้องกลัวให้มีศีลไว้มีศีลหน้าเจ็บตัวนิด น, นหน่อยๆน่อยเพราะว่าเรามีกรรมเก่ามีวิบากนิดหน่อยเจ็บเนื้อเจ็บตัวเรื่องธรรมดา รักษาศีลไว้นะ<ม>ก็ปลอดภัยปลอดภัยพระเทวดาจะรักษาพระรักษาไม่ต้องกลัวมึนก็มึนด้วยไม่นานหรอกไม่กี่ชั่วโมงหรอกเดี๋ยวก็หายทำใจสบายๆคิดถึงพุทธเจ้าไปแผ่ส่วนบุญไปเดี๋ยวมันก็ไปเพราะมันก็ไม่เที่ยงไม่ต้องไปกลัวมันเรื่องธรรมดาแล้วก็เมื่อวานนี้ก็คือตอนกลางคืน เหมือนจะได้ทางโลกเยอะมากเลยครับคือเรื่องงาน5้าหเรื่องเนี่ยมันเวียนกันเข้ามาแต่ว่าผมก็พยายามรู้เป็นระยะระยะปรากฏว่ามันได้คําตอบเรื่องงานไม่สบายมากเวลาเราจะทํางานนะบางทีเราคิดไม่ออกนะช่างมันคิดไม่ออกช่างมันไปนอนสักตื่นหนึ่งนะตื่นขึ้นมาก็ปิ๊งเลยคิดออกเลยก็ได้เมื่จิตมันสบายจิตมันรีแลกซ์ก็ไม่พยายามไม่พยายามฝืนนะฮะเพราะว่าคือรู้ว่ามันอาจจะ มันอาจจะอยากคิดต่อก็เลยปล่อยมันคิดไปแต่เราก็คอยรู้เป็นระยะระยะไปทำอย่างนั้นแหละแล้วบางทีเราได้คำตอบดีๆนะเราได้คาตอบแต่อย่างนี้ก็คือไม่ไม่ได้ผิดอะไรใช่ไหมครับคือหมายถึงว่ า, เ, าเป็นปกติที่จิตจะทำงานแบบนั้นเป็นปกติโลวง<ม> พ, พ่พุธเคยสอนด้วยท่านเล่านะบอกว่ามีสถาปนิก ค, คนหนึ่งนะ อ, ออกแบบอาคารที่มันซับซ้อนมากเลยคิดไงก็คิดไม่ออก แกก็เป็นนอนนะตอนนอนก็พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆหลับไปก็ตื่นขึ้นมานะ่ยเห็นแปลนเนี่ยอยู่ต่อหน้ารีบจำไว้เลยก็ลอกออกมาจากภาพที่เห็นนะแล้วงานนี้ก็ผ่านเลยได้ตังค์เยอะเลยไม่ได้คิดอะไรหรอกมันไปเห็นเองแล้วก็มาคำนวณตวนดูนะไม่ใช่มันหลอ ก, กอนนะครับแล้วก็สุดท้ายอยากให้หลวงพ่อแนะนำวิธี แฝ่เมตตากับอุทิศส่วนกุศลที่ได้รับเต็มๆมครับเมตตาอันหนึ่งนะอุทิศส่วนกุศลอันหนึ่งคนละอันกันแฝ่เมตตาคือมีความรู้สึกเป็นมิตรต่อคนอื่นสิ่งอื่นสัตว์อื่นอะไรพวกนีนะ้มีความรู้สึกที่เป็นมิตรคี่อย่าไปมองเขาในแง่ร้ายนะมองเขาในแง่ที่ว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันนะก็คิดว่าทุกคนก็มีความทุกข์แล้วเราไม่เพิ่มทุกข์ให้คนอื่นนะนะนะนึกในใจอย่างนี้เรื่อยๆแฝ่เมตตาก็จะไม่เป็นศัตรูกัน ตอลวพ่อบวชใหม่ๆนะอยู่เมืองกาญที่นั่นมีงูเหา่างูเห่าตัวหนึ่งนะสวยสวยเชื่องมากเลยเนีมาอยู่นี่ไม่มีงูเหา่าเชื่องให้ดูมีแต่ไก่ป่าไก่เชื่องมากเลยไอ้ที่ร้องเรางงนี่ไก่ป่าเท่านั้นเลยนะหูจะขาวๆไปดูดิไก่ป่าตัวจริงเนี่ยหูขาวๆถ้าไก่ตัวปลอมว่าหูธรรมดาหูแดงๆงู <c oughs> ง ว่าดูๆนะเชื่องนะเรานั่งเก้าอี้อยู่เงี้ยมันเลยมาหากินนลมามุดมุดมุดเราก็มองโอ้สวยสวยเองอยากกัดข่าก็แล้วกันสวยเ <laughs> ชื่องมีอยู่ทีนะน้ำท่วมน้ำท่วมบ้านงูมันตามน้ำเห็นมันจะเข้ามาในบ้านเอาไม้ไปเฉี่ยงมันฉกอยู่ในน้ำนะันมันยังชูหัวได้โอ้ไอตัวนี้ตู พอแผ่เมตตามันมันก็ซึมซึมพอจะไปเคียมมันชุบขึ้นมาอีกว่าเสมอกัน <c oughs> สุดท้ายมันก็ไปแผ่เมตตาคือมีความรู้สึกเป็นมิตรไม่รู้สึกว่าเป็นศัตรูแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลเนี่ยนึกถึงส่วนบุญที่เราทำแล้วก็นึกถึงคนที่เราอยากให้เขาได้รับแต่การแผ่ส่วนบุญต้องรู้มันมีหลายแบบแผ่ให้คนเป็นเนี่ยทไม่ได้ คนเป็นเราต้องโทรศัพท์ไปบอกเขาว่าว่าเราได้ทําบุญนี่นะอให้เขาอนุโมทนาอนุโมทนาหมายถึงเขาดีใจด้วยที่เราทําบุญแต่ถ้าเขาไม่อนุโมทนาเขาอิจฉาเราปากเขาบอก อ, อ้ยอนุโมทนาในใจโถเออเอาหน้าเอออย่างเงี้ยเขาไม่ได้บุญนะส่วนแผ่ส่วนบุญพวกที่ได้รับเนี่ยพวกเบลด็ด เบบางพวกนะครับยังพวกเทวดาเราแผร่ไปไม่รับหรอกแต่เขารู้เพราะยานุโมทนามนุษย์นี่แผร่ไปไม่รู้ต้องโทรไปบอกเราต้องมีบุญก่อนนะเนี่ยไปแผ่ส่วนบุญเพ่าเราไม่มีบุญเลย <c oughs> เห็นคนเขาทำบุญเราก็หาบุญด้วยการอนุโมทนา <c oughs> ไปปล่อยวัวปล่อยควายวั น, นวันนี้ใช่ไหม เราไปปล่อยวัวปล่อยควายเราไม่มีตังค์ไปปล่อยเขาอุ้ยดีจังขอทานานะขอให้ได้บุญด้วยนี่เราได้แล้วนะเออไม่ต้องเสียตังค์สักบาทหนึ่งบุญมีสิบข้อนะบุญที่เสียก็ตังค์มีข้อเดียวอีกเก้าข้อเป็นเรื่องเสียสตังค์หรอกเห็นคนเขาทาดีก็ดีใจกับเขาเขได้บุญแล้วพอเรามีบุญแล้วเราก็อุทิศ ส, ส่วนบุญโอ้ยบุญจากความดีใจที่ปล่อยวัวปล่อยควายขออุทิศ ให้ปู่ย่าตายายเราอะไรเงี้ยนี่เราก็ได้แล้วเห็นไหมบุญมีตั้งสิบข้ออย่างเห็นคนลําบากไปช่วยเขาก็ได้บุญเห็นคนจะทํางานที่เป็นประโยชน์อย่างทำสาธารณากุศลไปเก็บศพเก็บอะไรนะเราไม่มีเงินเราก็ไปออกแรงช่วยเขาเก็บอย่างเงี้ยก็ได้บุญบุญจากการช่วยเหลือเขาเนียไวยาวัจจะไมบุญมีตั้งสิบข้อเยอะแยะ บุญจากการมีศีลนี่ก็เป็นบุญไม่มีตังหรอกในะรักษาศีลมาได้ดีแล้วนึกถึงศีลเราได้บุญแล้วแล้วก็อุทิศส่วนบุญได้นันต้องมีต้นทุนก่อนนะถึงจะอุทิศโอ้ยง่ายยากแต่อย่าไปปนกันนะผีมาจะมาขอส่วนบุญเราก็จเจริญเมตตา เป็นสุกเป็นสุกเถิดไม่เอาจะเอาบุญเอออย่างเงี้ยนะเรียกว่าผิดประเภทงูเห่ามาแล้วเลื้อยปลาดปลาดมาแล้วจงได้รับส่วนบุญของเราเนี่ยมันกัดเลยเนีเรียกแผ่ผิดประเภทเอา้าวรมัสการค่ะหลวงพ่อเออพ อ, อ, อ, อยุ่มาอยู่วัดเนี่ยค่อนข้างจะ ค่อนข้างที่จะไม่ได้ดูจิตมากอะค่ะเพราะว่ามีตัวกระทบเข้าไปเกิด ก, กั้วกิเลสน้อยกว่าตอนที่อยู่ที่กับอยู่ที่บ้านหรือที่ทำงานอะนะคะที่ที่จะเห็นเวทนาเราค่อนข้างรุนแรงคือด้านกายมากกว่าถ้าเราก็ดูกายค่ะไม่มีอะไรทางใจเราก็ดูทางกายค่ะหนูก็มีไปทำอีกไหมค่ะอะ ครับเมื่อวานดีกว่าวันวันศุกร์ครับเพราะว่าวันศุกร์จะแน่นๆเยอะส่เมื่อวานก็สบายๆครับแต่เดินมากตอนตอนยังคืนปวดเข่าก็เลยไปนั่งได้นั่งก็ได้หลวงพ่อก็ไม่ถนัดเดินนะครับหลวงพ่อน้ําหนักมากเดินมากก็เดินไม่ไหวเจ็บเข่าภามลิมิตที่เป็นพระอะไรก็ไม่ค่อยมีนะฮะเออดีเมื่อวานว่ามีสร้างพระด้วยใจยังปลูกพัน์เกี่ยวกับการสร้างพระ ดีมีนิมิตเป็นพระก็ยังดีนะดีแบบนิมิตฝ่ายมารถ้ากลับไปอยู่กับโลกเราเจออะไรเราก็รู้ตามนั้นรู้รู้จิตไม่ใช่รู้ว่าสิ่งที่เจอรู้จิตจิตดีรู้ทันจิตชินร้ายรู้ทันก็ที่หลวงพ่อเทศสุกที่แล้วครับว่าอะไรนะครับโลกโลกไม่โลกไม่ชําทำให้ขุนยเอาไปปฏิบัตินจริงนักปฏิบัตินั้นไม่มีปัญหากับโลกนะกับชาวโลก แต่ชาวโลกอ่ะมันชอบมีปัญหากับนักปฏิบัติอย่างพอมันเห็นเรามีกิเลสนะมันบอกโอเธอเนี่ยเข้าวัดสัเปล่าทําไมยังมีกิเลสอีกมันพูดอย่างกัรกิเลสล้าง่ายเคยเจอไหมแ <c oughs> <c oughs> ม่มันคาดหวังอะไรเรานักนะเจ้า <c oughs> ค่ะเมื่อคืนนี้ยเดินคืออยู่ที่นี่เดินภาวนาได้เยอะนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันเงียบเงียบจิตมันจะเงียบเงียไป แต่มั่นใจว่าไม่ได้ไปกดอะไรเขาเพาคิดว่าเราเข้าใจแล้วว่าการกดเป็นยังไงเจ้าค่ะแล้วก็วันนี้ก็คิดว่ามีแรงนะคะแล้วก็พอดูได้อยากขอกันบ้านไปปฏิบัติต่อเจ้าค่ะถ้าดูจิตได้ก็ดูจิตนะวันไหนดูจิตไม่ได้ดูกายไปเจ้าค่ะนะถ้าทําอะไรไม่ได้ก็ทําความสงบไปเท่าเนี้ยใช้หลักเนี้ยเนะจ้าค่ะค่ะอยากขอการ กราบถวายการปฏิบัติเป็นพุทธบูชาเป็นอาจารย์ย่บูช า, าต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อพระอาจารย์ปราโมช์ปาโมชโชผู้เมตตากรุณาถ้ามีมุติตาอุเบกขาด้วยนะ <c oughs> บางคนสอนไม่ไหวหลวงพ่อก็อุเบกขาเหมือนกันดังนั้นถ้าพระอาจารย์ปราโมชผู้เมตตากรุณา <c oughs> ต้องมีมุติตาอุเบกขาด้วยการมัสการพระอาจารย์ปราโมชครับ โปรโมโชว์ด้วยสิก็วันนี้ก็ถือโอกาสมาส่งกันบ้านพระอาจารย์ครับในระหว่างวันตอนนี้ตอนนี้ก็จิตก็ก็มีขึ้นลงก็เข้าไปตอนนี้ไม่ไม่ไม่ปกติเหมือนธรรมดานะครับก็ฟูระหว่างในเวลาทำงานก็จะมีงานเข้ามาเยอะก็ทำให้บีบคันเห็นเห็นทุกในจังทุกขรังหน้าตาสลับกันไปครับ ชีวิตเราเปลี่ยนนะแล้ว เ, เข้าใจแล้วชีวิตเราเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดเลยเนีย่เปลี่ยนโลกธาตุเปลี่ยนมีความสุขขึ้นเนยอะดีครับก็การรายงานอะนะฮะแล้วจิตมันชอบวนเข้าไปรวมสักพักหนึ่ง้วถอนออกแล้วก็วนกลับเข้าไปรวมใหม่รว็อะไรอออรวมการอะไรมันรวมรวมมาเป็นสมาธิอ๋อเป็นอยู่เนืองเป็นมาพักใหญ่แล้ว อันนี้ก็จะขออว่าจับหลวงพ่อคือถ้าถ้าจิตรวมบ่อยๆนะ้วดูร่างกายไปเรื่อยๆเห็นร่างกายนะเห็นเหมือนกระดูกเดินได้ร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นแค่คนดูดูสบายไม่บังคับจิตแข็งๆนี่ระหว่างวันที่เขามีอาการแบบนี้มันเราบางทีให้เขารวมไม่ได้เพราะเราต้องทำงานก็มีอาการหน่วง<อ>กัด น, นอน มันปวดหัวเลยนะปวดเบาตาเออครับแต่ก็คือจิตมันจะรวมถ้าฝืนแล้วจะเป็นอย่างนั้นแหละครับว่าดูิทษณา<ม>ตรงนั้นไปกรรมธรรมศาการหลวงพ่อครับส่งกันบ้านครั้งแรกเมื่อสามปีที่แล้วครับวันนี้ได้มีโอกาสม า, มาเข้าคอร์สครับออทุกวันนี้ทำงานที่ต้องคิดเยอะครับก็เลยใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรร ม, มเวลาจิตสงบปุ๊บก็จะเห็นความคิดพอตามไปดูความคิดดับ ยังไม่ทันถึงเสี้ยววินาทีเลยครับก็คิดเรื่องใหม่ทันทีเลยอแล้วก็ตามไปดูเรื่อยๆได้สักพักหนึ่งแล้วก็แพ้มันครับเป็นอย่างนี้ก็เราเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะไม่คิดนะครับเราไม่ได้พัฒนาตัวเองให้เป็นต้นไม้หรอกครับแต่พอคิดไปแล้วมีความสุขรู้ทันมีความทุกรู้ทันไปคิดไปแล้วดีก็รู้คิดไปแล้วเกิดโลภหลรนหลอกก็รู้นะครับไม่ถึงขนาดว่าต้องตัดความคิดหรอกครับแต่ถ้าสติเราเร็วเราจะเห็นจิตไปคิด ตรงที่จิตไปคิดเนี่ยยังไม่ทันรู้ว่าคิดเรื่องอะไรเลยเห็นจิตมันเคลื่อนไปใจคิดก็รู้ละก็ตัดครับเห็นอย่างนั้นเราก็จะเห็นในมุมของว่าจิตมันเคลื่อนไปคิดได้เองเนี่ยถ้าจเจริญปัญญานะเออมันเป็นเองมันคิดได้เอง ร, รู้สึกไหมไหลเองครับนะดูอย่างนั้นเรื่อยๆดูอย่างสบายใจครับไม่เจตนาให้มันตัดนะรเราก็ถ้าไม่ได้คิดอะไรมากอย่างทุกวนันนี้วางใจว่า ทำอย่างนี้ไปตลอดทั้งชาติถ้ามันไม่ได้อะไรขึ้นมาก็ทําไปเรื่อยๆก็ไม่เสียเปล่าใช่ไหมครับไม่เสียเปล่าหรอกแค่นี้มันก็มีความสุขแต่ไม่พอนะมัน ค, ควรจะดีกว่านี้ครับขอบคุณครับนมัตสการอาจารย์ค่ะเป็นการส่งกันบ้านครั้งที่สองค่ะแต่จริงๆแล้วยังทํากันบ้านไม่เสร็จเพราะว่าใจก็ยังไม่ค่อยถึงฐานเท่าไหร่ค่ะแต่ว่ามันมีโยนิโสมนัสการพอที่จะ พอที่จะเข้าใจอะไรต่างๆได้นะเจ้าค่ะแล้วก็เห็นความทุกข์มันก็ไปไปมามาออแต่ว่าแต่ตอนนี้คือคุณแม่กาลังป่วยอยู่นะคะออแล้วก็คุณแม่ฟังธรรมของพระอาจารย์อยู่ก็เลยอยากจะขอความกรุณาขอข้อธรรมไปฝากคุณแม่ด้วยนะคะก็แม่แยกขันได้ยังอืคุณแม่ ฟังฟังแต่ซีดีแล้วก็ปฏิบัติตามแนวหลวงพ่อเทียนนะคะแต่ว่ายังยังแยกไม่ได้คือถ้าแนวหลวงพ่อเทียนนะก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะอย่าไปเน้นที่ตัวจังหวะว่ต้องจังหวะนี้เป๊ะเป๊ะเป๊ะถ้ามุ่งมั่นไปที่ตัวจังหวะกลายเป็นสมถะหมดเลยเหมือนที่หลวงพ่อคําเขียนท่านบอกว่าไม่ค่อยขึ้นวิปัสนาหรอกที่ทําิบสี่จังหวะอะไรนี่มันมาทีหลังก็สําคัญคือความมีสติเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะ ขยับไปแล้วใจหนีไปคิดรู้ทันไปบอกแม่อย่างนี้นะร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูก็ขยับไปแล้วถ้าใจมันหนีไปก็รู้ทันไม่บังคับนะไม่ใช่ว่าห้ามเรืร่อขยับไปแล้วใจมีความสุขก็รู้ขยับไปแล้วอึดอัดก็รู้ขยับไปแล้วสงบก็รู้ขยับแล้วฟุ้งซ่านก็รู้ขยับแล้วรู้ทันจิตไปบอกแม่อย่างนี้นะได้เจ้าค่ะกราบข้าพเจ้าค่ะกราบธมัสการหลวงพ่อครับ ไม่เคยส่งการบ้านนะครับมาครั้งแรกไม่ต้องกลัวนะครับคุยกันกันเองนะไม่ไม่ไม่แน่ใจแล้วก็ไม่ทราบว่าสิ่งที่เคยทามานี่ถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็อยากจะขอคำแนะนำของหลวงพ่อครับเราไม่เพ่งนะเราอย่าไปเพ่งเอาส่วนใหญ่ที่นักปฏิบัติปฏิบัติมาเนี่ยคือเพ่งเอาท้งนั้นแหละพอเพ่งแล้วร่างกายก็แข็งแข็งใจก็แข็งแข็งไม่เป็นธรรมชาติอย่างนั้นไม่ดี แค่รู้สึกเรานะเห็นร่างกายทำงานใจเป็นคนดูนะเห็นสุขทุกข์เกิดขึ้นใจเป็นคนดูตัวนี้ทำได้แล้วใช่ไหมครับเ ร, นะเริ่มดีขึ้นนันแหละขันมันแยกถ้าขันแยกอย่างนี้ใช้ได้พอขันแยกแล้วเราก็ไม่แทรกแซงขันเห็นขันมันทำงานไปบางทีสติเขารู้กายบางทีสติก็ไปรู้จิตใจอะไรก็ได้พอรู้กายก็เห็นกายไม่ใช่เรารู้จิตก็เห็นจิตมันทางานเองไม่ใช่เราอีกนะดูอย่างนี้ไปเรื่อย บัญญากร่าดูอนัตตาดูอนัตตานะครับมันเห็นเองแหละเห็นเองเห็นไหมมันทํางานได้เองครับหลวงพ่อครับแล้วก็รู้สึกว่ายังหาวิหารทำตัวเองไม่เจอควรจะหาแนวทางอย่างไรร่างกายนี่ไงร่างกายนะครับเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูแล้วพอจิตมันเคลื่อนไหวมันก็จะเห็นเอาไก่นะขอบพระคุณครับอย่าไปทิ้งกายนะ จริงเรารักรูปมากรูปนี่งามหนออ้าว่าไปอยู่ไหนโ อ, อ้ว่ามาก็ปกติหนูจะฟุงเยอะอะค่ะแต่ว่าคือเหมือนช่วงอที่ที่ผ่านมามันฟุงแล้วมันอยู่ข้างนอกคือปกติเหมือนมันอยู่ฟุงอยู่ข้างในอะค่ะแล้วเราก็คือเหมือนหนพยายามดูลมแล้วก็ พุทโธแต่ว่ามันเหมือนฟุ้งอยู่ข้างนอกแล้วไม่เข้ากับเขามาค่ะดีแล้วล่ะดีกว่าไปฟุ้งอยู่ข้างในมุดไปอยู่ข้างในนะแก้ยากนะไอ้อย่างนี้ไม่ยากหรอกอย่างนี้จะโปร่งป่งสบายกว่าด้วยซ้าไปเราให้เรารู้ทันว่าจิมไปอยู่ข้างนอกไม่ว่ามันนะก็แค่รู้ว่าตอนนี้เธอยังไม่รวมเข้ามาแค่นี้พอแล้วอย่าไปดึงมันแล้วร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกไปใจเคลื่อนไหวก็รู้สึกไป ที่ทำอยู่เนะี่ยใช้ได้นะดีกว่าไป ม, ม้วนม้วนหมุนหมุนอยู่ข้างในงุดๆงุงุนอยู่นั้นไม่ดีหรอกอึนอาดค่ะเอาเราอีกอย่างนะคะคือเวลาหนูเดินเราเหมือนกับคือโลกจะอยู่ห่างๆแล้วก็เห็นตัวเองเดินแบบนี้ค่ะนั่นแหละขันมันแยกออกไปกายมันเดินอยู่นะใจเราเป็นนดูขันมันแยกออกอแต่ถ้าแยกก็แยกนะถ้ามันรวมก็ช่างมันไม่ว่ามันค่ะคุณค่ะ มรส ก, การหลวงพ่อค่ะหนูโทสะเยอะมากเลยค่ะอมืมีบุญนะโทสะเยอะมันดูง่ายแล้วก็ทุกเยอะด้วยค่ะแน่นอ น, อนทันทีที่โทสะเกิดทุกต้องเกิดด้วยค่นะมันทําให้เราขยันดูได้ง่ายนะถ้าเวลามีความสุขมันจะขี้เกียจ ด, ดูงั้นเรามีโทสะเรามีความทุกข์นะัเราใครรู้ไปแต่ดูเหมือนเห็นคนอื่นทุกนะใจเราเป็นคนดูสังเกตไหมกายกับใจเป็นคนละอันแยกออกแล้วใช่ไ่ะ ขันมันแยกแล้วล่ะความสุขความทุกข์มันก็แยกออกไปใจก็เป็นคนดูไม่เกี่ยวกับเราหรอกนะก็ดูเห็นทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างมาแล้วก็ไปพวกโทสามากเนี่ยปัญญาจะกล้าไปดูเลยว่ามันไม่ใช่ตัวเราดูอย่างนี้ค่ะท่านกราบนมัสการครับคือไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อมานานพอสมควรครับจำไม่ได้แล้ว คืออยากจะทราบว่าที่เจริญสติในชีวิตประจําวันนะครับคืออยู่ในทางอยู่หรือเปล่าครับเห็นกิเลสบ่อยไหมเห็นเยอะครับเห็นไหมว่ากิเลสกับจิตเป็นโคราลนกันครับผมเ อ, อ้ถ้าอย่างนั้นใช้ได้อยู่ในทางนะบางทีกิเลสก็ามาครอบงําจิตดูออกไหมบางทีกิเลสก็แยกออกไปเห็นครับเอออย่างนั้นใช้ได้นะแต่ถ้าเห็นทีไรครอบทุกทีใช้ไม่ได้ <laughs> ทำความสงบบ้างไหมคือช่วงหลังๆนี่จะมีปัญหาทางโลกบ้างครับคือเข้ารูปแบบไม่ค่อยจะถึงต <ทำ S 2> ่างทำบ้างนะแรงมันตกไปครับผมถ้าทำแล้วมันได้กำลังทำวันหนึ่งไม่ต้องเยอะหรอกสักครึ่งชั่วโมงหรือไม่มากไปก็ทำสิบ้านาทีนะคือปกติก็จะทำทุกวันนะครับแต่ จะไม่ไม่ถึงของเก่าครับอย่าอยากถึงนะถือว่าเราปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าถึงไม่ถึงช่างมันนะถ้าเราวางใจอย่างนี้มันจะสงบง่ายแต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วเราก็อยากจะให้ดีอย่างเก่าอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ดีต้องใจกล้าๆน่ายนะไม่ดีก็ทำดีก็ทำครนะับกระผมถ้าใจมันมีสมาธิพอสงบพอตั้งมั่นพอนะก็จะเดินต่อไปได้ง่าย แต่ถ้าขาดเว็นแยกแล้วแรงไม่พอเป่อแปะไปนิดหนึ่งกลับนมัสการพระอาจารย์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยอบรมสั่งสอนหน่อยครับเนะสอนมาแต่เช้าแล้วเบื้องต้นนี่ยังอยู่ในทางไหมครับเบื้องปลายผมต้องทําปฏิบัติอย่างไรบ้างเ<ช>คยคิดไหมว่มาเดี๋ยวนี้เกษตรกรเราไม่เหมือนกันแนละ้วใมครับนะใจเราไกลโลกออกมามากขึ้นมากขึ้นนะครับใครรู้ใครดูไปโลกไม่มีอะไรโลกมีแต่ทุกข์ ถ้าจริงๆกับมันเราก็เครียดเราก็หงุดหงิดครับนะพยายามดูทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานะว่าเป็นของโชคราภ ด, ดูอย่างั้นเรื่อยๆไปนะเนี่ยจะมีความสุขกว่านี้กครับผมนะกล่าวนมัธการครับหลวงพ่อมาส่งการบ้านครบปีนึงพอดีวันนี้ครับหลวงพ่อแล้วก็ได้โอกาสได้บุญมาเข้าคอร์ส ด, ด้วยได้อะไรรู้อะไรยเยอะแยะไปหมดเลยครับ ช่วงนี้อรู้อะไรเยอะแยะก็ไม่สําคัญนะรู้กิเลสของเราเราสําคัญครับมีคือได้ไ ด, ได้ได้รู้รู้คุณเริ่มจะรู้คุณค่าของการทํารูปแบบ <c oughs> เริ่มเริ่มจะเข้าใจคําว่าเครื่องอยู่มากขึ้นเมือม่อเมือ่อเมื่อตอนเข้าคอร์สนี่เองฮะหลวงพ่อสติก็รู้สึกดีขึ้นหลังจากที่ ท, ที่ที่ได้เข้าคอร์สครับไม่มีเครื่องอยู่ไม่ได้นะ หัดใหม่ใถ้าไม่มีเครื่องอยู่นะเวลาหลงจะหลงยาวงั้เราก็มีเครื่องอยู่ไว้อันแต่เราเลือกเครื่องอยู่ที่สบายเหมือนเลือกบ้านะเลือกบ้านที่พอดีกับเราสบายไม่เลือกตามคนอื่นงั้นเครื่องอยู่ของเรานะไปดูในสติปัฏฐานอะไรสะดวกกับเราแล้วอาอันนั้นเอากายก็ได้เอาจิตก็ได้ดูดูกายแล้วมันก็จะเห็นจิตเองใช่ไหมครับใช่ แต่อย่าเพ่งกายนะถ้าเพ่งกายจะไม่เห็นจิตและเครื่องเครื่องอยู่ที่เราที่ดูเป็นประจำคือเวลาเราดูกายแล้วหรือว่าขยับนิ้วอย่างเงี้ยก็จะเห็นจิตเคลื่อนจิตเคลื่อนนี่เรียกว่าเครื่องอยู่ป่ะครับใช่ได้คือถ้าจิตยังเคลื่อนไหวอยู่ใช้ได้นะถ้าดูกายแล้วจิตนิ่งเนี่ยคือเพ่งกายแต่แต่จิตที่เคลื่อนมันก็ไม่ได้ไปไปแสดงว่ามันเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลอะไรเรารู้เร็วเลถ้ารู้ถ้าเรารู้ได้เร็วอ๋อ ถ้ารู้ช้าเดี๋ยวก็เป็นสุขทุกข์ดีชั่วขึ้นมานออถ้ารู้เร็วเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บเนี้ยไม่ทันจะโชว์ออกมาว่าสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วครับ<อ>หมดแล้ววันนี้หลวงพ่อ <นะ S 2> มีอะไรแนะนำเพิ่มไหมครับที่ทำอีกทำอีกรักษาศีล น, นะครับสรุปนะต้องรักษาศีลห<ร>้าเอาห้าข้อพอละอ่าเชิญกลับบ้าน